ท่านผู้เจริญทั้งหลายณนะโอกาสนี้จะได้นําธรรมะอันเป็นคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นแนวคิดของบรรดาท่านทั้งหลายธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราเคยได้ยินได้ฟังได้ได้ศึกษากันมามากพอสมควร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 ได้ผ่านการปรับปรุงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับลำดับเริ่มต้นแต่หัดอ่านหัดเขียนหนังสือระดับชั้นประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจบปริญญาชั้นสูงสุดคือปริญญาอกีกอันนี้คือวิถีทางที่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 โบราณาจารย์ท่านสอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาเคยเจริญพรห ม, มวิหารนั่นเองอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าทีนี้ในเมื่อท่านทําวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบจบับที่พระพุทธบาทตามแบบที่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 มีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวนี่คือหลักการภาวนาในเบื้องต้นทีนี้ในเมื่อผู้ภาวนากำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจที่สุดก็คือความมีปีติในตอนนี้ปีติบังเกิดขึ้นในเมื่อปีติบังเกิดขึ้น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 แต่ทั้งนี้มิใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุ ก, ท, กท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็จิตจอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาผมขนเลบฟันหนังเนือเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้น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 ขั้นตามกาหนดรู้หมายถึงตั้งใจกําหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นสัพทธรรมในเมื่อจิตมีสภาวธรรมเป็นเครื่องรู้เป็นสติมีสภาวธรรมเป็นเครื่องระลึกย่อมสามารถที่จะสร้างสติตัวนี้ให้กลายเป็นมหาสติไปได้ด้วยประกาศนี้